บุ๊กทูเจ็ดสิอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดต้องการอยากคุณอยากทาอะไร คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Hoteli di Igrati Football คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม Hoteli di Passeggiatelli ต้องการอยาก Tieti ดิฉันไม่อยากมาสาย Я ย่าเนื้อชูสติชิคน้นดิฉันไม่อยากไปที่นั่นย่าเนื้อชูได้ยินตามอดิฉันต้องการกลับบ้านย่าห่อชูได้ยินคูชดิฉันต้องการอยู่บ้าน อยากใ m ้ฉ ja ันอยู sam ่คนเดียวอยากให้ฉ o นอย a ่คนเ a ียวคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม คุณอยากนอนที่นี่ไหมโฮเชชคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะโฮเชคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะคุณอยากไปดิสโก้ไหมคุณอยากไปดูหนังไหงม คุณอยากไปร้านกาแฟไหม